ใจแบบนี้นะงานในศาสนาเนี่มันไม่ได้มีอย่างเดียวมีหลายอย่างงานเกี่ยวกับการบำเพ็ญกิจวัดในวัดวาอารามก็มีงานเกี่ยวกับบำเพ็ญศาสนาิจ ภายนอกวัดก็มีนี่พูดถึงงานในพุทธศาสนานี่มันมีมาอย่างเนี้ยตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้านั่นก็มีกิจมิมน่ะดูจะไม่ค่อยขาดเลยจนได้ตั้งพระตุดเทศไว้ตั้งเจ้าหน้าที่แจกพระไปจะเจริญพุทธมนต์ไปฉัน พัดตาหารที่บ้านเขาหมุนเวียนกันไปอย่างนี้เนยอันนี้มาจนถึงทุกวันนี้งานอย่างว่านี่มันก็มีอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้บวชเข้ามาแล้วมันต้องให้เรียนรู้หน้าที่ของตนชีวิตของเรามัน ไม่ใช่อยู่คนเดียวได้โดยเฉพาะนักบวดเนี่ยยิ่งเนื่องด้วยผู้อื่นอยู่ตั้งร้อยเปอร์เนต์นู่นเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยสี่เป็นอยัางนั้นนั้นในาศาสนาพิธีมันก็มีการเจริญพระพุทธมนต์การตรวจมาติกาบังสกุลคนตายมนี่ ดังนั้นต้องรู้ไว้เมื่อรู้แล้วเราต้องเพียมตัวที่ห้องเรียนจำเอาสวดสูตรต่างๆสำหรับที่จะต้องไปใช้ในงานสวดปริตตะมงคลในบ้านในเรือนเขาท่องเอามาติกาปาทะคือสูตรสำหรับที่จะไปชวด สวดมัตติกาคนตายโมนี่เดี๋ยวไปนิ่งนอนใจฮะมันต้องให้นึกคิดสี่เราบดเข้ามาแล้วเดีวไปคิดแต่ ว, ว่าจะซึกงอย่างเดียวเท่านั้น อ, อันเรื่องอย่างนั้นน่มันไม่ควรคิดกันไปให้มากควรรำพึงฝึกใจของตัวเองนี่ให้มันโน้มไปในทางาศาสนธรรม คำสอนของพอระเจ้าเอิบอิ่มอยู่ในาศาสนธรรมให้มากเพราะคนเรานี่อยู่ที่ไหนถ้ามีความสบายใจทำใจส ง, งบได้แล้วอยู่ที่ไหนก็มีความสุขสำหรับผู้ที่เบื่อต่อความทุกข์ ถ้า ต, ต้องการความสุขแล้วเช่นนี้นะเมื่อเราบวชอยู่ในวัดวาอารามนี้หากเป็นผู้ไม่ประ ม, มาทไม่รู้อำนาจเข่ตัญหาโคมทยานอยากห้ามจิตของตนได้ไม่ให้มันอยากได้อะไรต่ออะไรในโลกนี้อย่างนี้มันก็อยู่สบายสบาย เมื่อได้ความสบายใจแล้วทำไมถึ ง, งยะดิ้นศึกฆาลาเพศออกไปที่มันสึกออกไปนั้นเพราะมันไม่เห็นผลแห่งการบวชไม่เห็นผลแห่งการปฏิบัติธรรมในวัดวาศาสนานี้ <c oughs> <c oughs> เห็นแต่ความสุขสนุกสนานอยู่ในโลกเหตุนั้นนะ บวชเข้ามาแล้วจึงใจก็ไปอยู่แต่บ้านนู้นมีแต่กายเท่านั้นอยู่ในวัดมันเป็นเช่นนั้นแนะมันถึงสึกไปได้บวชมาแล้วนะถ้ากายอยู่ในวัดใจก็อยู่ในวัดนี่อย่างนี้มันจะไม่อยากสึกหรอกใจกายอยู่ไหนใจก็อยู่ตรงนั้นอยู่ที่กายเพ่งกายนี่เห็นอยู่ เห็นกายนีนของไม่เที่ยงไม่ยังยืนอยู่เห็นมันจะของเป็นของแตกของดับอยู่ไม่มีสาระเกณฑสารอะไรเมื่อมันเห็นอยู่นี่เราไม่ทราบว่ามันจะดิ้นไปอนขอขวายหาอะไรในโลกอันนี้มันไม่มันก็ตัดทอนตันหาลงได้เมื่อมันเห็นอย่างนี้ก็เราบวชอยู่นี่ มันก็ได้มีปัจจัยสี่เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงร่างกายอันนี้พอเป็นอยู่ไปได้อยู่นี่ไม่ใช่ว่าทุกยากลำบากอะไรนะแต่ว่าจิดของคนเรานะ่ะเมื่อมันรู้อำนาจแก่สตัญหาแล้วเมื่อความเป็นอยู่เพียงแค่นี้มันก็ไม่ไม่ไม่เพียงพอแก่ความต้องการสาเหตุมัน เพราะการอยู่เช่นนี้มันไม่ได้สนองความอยากอย่างอื่นเนื่องจากว่ามันมีวินัยบังคับอยู่นั่นแหละถ้าผูดด้ใดมาเพ่งพี่นาดูความอยากอันมันนอกเหนือไปจากคำวินัยไปนี้แล้วเห็นว่ามันเป็นโทษเป็นทุกข์เช่นนี้นั่นแหละมันถึงจยุติลงได้ความอยากอันนั้น เห็นว่ามันไม่ใช่เป็นไปเพื่อความสุขมันเป็นไปเพื่อความทุกข์โดยแท้แต่มันเห็นอย่างนี้แล้วมันก็ถอยอืมถ้าถ้าไม่เห็นอย่างว่านี้แล้วมันก็เป็นธรรมดาเลยอืมผู้ที่ประพฤติพรหมจรรย์อยู่ได้ในพระศาสนานี่มันก็ล้วนตั้งแต่เห็นโทษแห่งตัณหาลาคะเห็นโทษแห่งกรรมคุณ นั่นแหละมันถึงอยู่ได้เห็นโทษไหมครัว่าถ้าหากว่าซึกออกไปคุกคีกับสิ่งเหล่านั้นแล้วมันมีแต่ทุกข์ทุกข์หลายกว่าความสุขเั็นว่าความสุขมีกับเป็นความสุขทั่วคราวประเดี๋ยวปรดาวก็หาย่มันมองเห็นอย่างนี้แห่ะมันมันถึงเบื่อหน่ายในปรารถนาจะออกไปหามัน นนะผู้บวกเข้ามาแล้วก็ต้องพิจนาอย่างนี้ให้สงกับว่าเราเป็นภิกขุภิกขุแปลว่าผู้เห็นภัยในวัฏตฏ ร, ตรงสารภัยอะไรก็เห็นภัยของกิเลสปัญหาอันมันจูงจิตจูงใจให้ท่องเที่ยวไปในสงสาร บางทีกิเลสอันเป็นบาปมันประจูงลงนรกนะู้นได้ทนทุกข์ทรมานอยู่ในนรก น, ะนี่แหละเห็นภัยในสงสารนะ่ะเห็นโทษของกิเลสนี้เองนะแล้วถ้าเห็นโทษละเอียดเข้าไปคนนั้นก็ก็เห็นว่าการเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายไปในสงสารนี่น่ะมันเป็นทุกข์เมื่อสรุปลงแล้วน่ะมันไม่ใช่มันเป็นทุกข์ อย่างที่ว่ามาแล้วนัสุกก็สุกชั่วคราวแต่ว่าทุกนั้นมันหลายกลัวทุขพระพุทธเจ้าจึงสรุปลงว่าทุกขาชาติพุนันภูนังการเกิดบ่อยๆนี่มันเป็นทุกเอรวมลงว่ามันเป็นทุกแต่อย่างเดียวอะมันไม่ใช่เป็นสุขถึงเป็นสุขได้ก็สุขเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่ เวลาบุญกุศลหนหลังยังอุปถัมภ์บำรุงชีวิตนี่อยู่คันพอบุญอันนั้นมันร่อยหลอลงมันหมดลงไปแล้วความสุขนั้นมันก็หายหน้าไปเลยเวลาจจนจะตายมันก็มีแต่ความทุกข์ลูกเดียวอ่ะปรากฏอยู่ในใจนั่นดังนั้นพระองค์เจ้าจึงตรัสสรุปลงว่าความเกิดบ่อยๆนี่มันเป็นทุกข์ แต่เราต้องพิจารณาให้มันเห็นตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไวน้นี้ในฐานะที่เราเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าอย่าให้มันเห็นทุกข์ว่าเป็นสุขไปเห็นความสุขว่าเป็นทุกข์ไปอย่างนี้แล้วก็มันก็เพี้ยนจากพุทธศาสนาไปเลยคอมเมนตของผู้นั้นมันก็ค้นทุกข์ไปไม่ได้เลย พาไม่เห็นตามเป็นจริงเมื่อไม่เห็นตามเป็นจริงแล้วมันก็ไม่เบื่อไม่น่ายเป็นอย่งนั้น <c oughs> เห็นความสุขก็เป็นทุกข์ไปยกตัวอย่างเช่นการมาบวชอยู่ในวัดวาศาสานานี่น ะ, ะมันแสนมีความสุขสบายพไม่มีกังวลอะไรไม่มีการงาน นักหนาอะไรที่จะต้องทำไม่ได้แบกภาระของหน้าที่การงานทำมาหาเรียงีพไม่ได้วิตกวิจารไปในอนาคตว่าต่อไปนี่เราทำยังไงจะร่ำรวยจะเป็นเศรษฐีก็เขาได้อะไรหมดเนี่ยมันไม่มีตัณหาอนาคตก็ไม่มี ถ้าผู้บวชจริงๆเนี่ยบวชมาแล้วควบคุมจัดจิตใจของตนให้ได้แ้่เช่นนี้แล้วะละความอยากอันนี้ได้แล้วมันแสนสุขสบายเลยการบวชอยู่ในพุทธศาสนาเนี่ยไม่มีความสุขใ ด, ดในโลกที่จะเทียบเท่าได้แม้ผู้มีเงินเป็นพันๆล้านอย่างนี้นี่มันก็มีทุกข์เท่ากับเงินพันล้านนั่นแหละ อย่าไปเข้าใจว่ามันจะเป็นสุขรุ่นรุ่นไปเลยคนมีเงินมากมากมันก็มีกิจการมากมีกิจการงานมากมีบริวารมากเอ้าต้องควบคุมคนงานอย่างเป็นร้อยร้อยพันพันไปอย่างนี้นะแล้วมันจะสบายเมื่อไหร่อ่ะคนงานเนี่ไม่ใช่ว่ามันจะไปฟังคําสั่งไปได้ทุกคนนะบางคนก็บิดเบี้ยวไว้ทําให้หนายจ้างนั้นหนักใจเข้าไป ถ้าไปลูกล้านเขามากๆก็ดีไปดีลูกเขารวงหัวกันสังหารนายจ้างตายมาแล้วก็เยอะแยะนะอันบนนี้นะต้องพิจารณาให้มันเห็นนะไอ้คนรวยทั้งหลายในโลกอันนี้นะมันไม่เห็นว่ามันจะอยู่เย็นเป็นสุขอะไระอรัเว้นเสียแต่ผู้รวยแล้วเข้าวัดเข้าวาไปอฟังธรรมจำศีล น, นั่งภาวนาตรงอารมณ์ได้บ้างนี่ก็ยังพอมีความสุขอยู่บ้าง ถ้าผู้ร่ำรวยแล้วไม่หันหน้าเข้าวัดวาเลยมีแต่ปล่อยใจไปผูกพันอยู่กับการทางานกับรายได้รายเสียอะไรต่ออะไรหมดนั้นมันหาความสุขไม่ได้เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นลองคิดเทียบกันดูสิความสุขในการบวชกับความสุขของผู้ครองเรือนมันจะแตกต่างกันอย่างไรอ่ะทิงโยผู้บวชนี่ถ้าเป็นผู้ประมาท ไม่สำรวมจิตตัวเองไม่รู้จักห้ามจิตตัวเองจากอารมณ์นั้นๆได้พอเรื่องอะไรมาถึงเข้าก็ไหลไปตามมันเลยอย่างนี้นี่มันมันก็เดือดร้อนจริงหาความสุงไม่ได้จริงๆถ้าปล่อยใจส่งเป็นธาตของกิเลสตัณหาอย่างว่านั่นนะก็ยังว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์พระพุทธเจ้าสระดไปแล้วที่มีผิดที่ไหนล่ะ หากผู้ใดรู้อย่างว่าอันนี้แล้วเบื่อตัณหาแล้วก็จะไมปยากมันเนี่ยมันไม่ใช่ยากอะไรนะการละตัณหาเนะห้ามจิตตัวเองนี่ไม่ให้อยากได้อะไรต่ออะไรแล้วมันก็ตัณหามันก็จูงใจดวงนี้ไปไม่ได้ตามประสงค์ของมันเลยเรียกว่าเราทวนกระแสตัณหาอมันปั่นใจให้อยากได้อันั้นอันนี้เราไม่อยากหนี ไม่อยากมันไปทําไมมันทุกข์เราจะอยากแต่ในสิ่งนี้จําเป็นต่อชีวิตเท่านั้นแหละสิ่งใดที่ไม่จําเป็นต่อชีวิตจะไม่อยากมันอยากดื่มเหล้าเมาสุราอยากสูบ ก, กัญชายาฟินเฮโรอีนอยากสูบบุหรี่หมูเนี่ยปัญหาเหล่านี้ล้วนแต่เป็นไปเพื่อทุกข์ในปัจจุบันนี่ทั้งนั้นเลยไม่ถึงกับว่าไปทุกข์ในโลกหน้าหรอก อยู่ในโลกนี้แหละเป็นทุกข์เห็นกันดาดดื่นอยู่ทั้งไปตันหาเหล่านี้นะตัญหาเจ้าชู้มากมากในกามโมรีก็เป็นทางแห่งความทิมหายเฉพาะหน้าในปัจจุบันนี้เองไม่ถึงกับาจะไปเป็นทุกข์แต่ในโลกหน้าอย่างเดียวะ นี่ถ้าพวกคนมาห้ามจิตตัวเองได้ไม่ให้มันปรุงแต่งความอยากเหล่านี้ขึ้นในใจแล้วมันก็แสนสุขแสนสบายเลยเป็นคฤหัดก็สบายเพราะว่ามันจะได้รวบรวมเงินทองที่หาได้มารวมกันเข้าเป็นก้อนเป็นหน่วยได้อยู่ถ้าละความอยากอันหมดนี่ลงไปแล้วนะ ให้มันอยากแต่ข้าวกับน้ำอยากนอนอย่างนี้นะอยากได้เงินมาเลี้ยงครอบครัวแล้วก็ไปสเสวงหาเงินโดยทางที่ชอบโดยสินทำและชอบโดยกฎหมายไอ้ความอยากเหล่านี้มันก็ไม่ถึงกับว่ามันจะเป็นทุกข์มากมายเท่าไรหรอกไอ้ความอยากที่มันเลยสินเลยทำไปนี่แหละ ที่พระพุทธเจ้าอ่ะมันเป็นทุกข์มากมันนำไปสู่ทุกข์ในอบายภูมินุ่นไม่ใช่ทุกข์แต่ความเป็นมนุษย์เท่านี้ก็ต้องพิจารณาดูกันให้ดีเราเป็นสาวกสาวิคาของพระพุทธเจ้าแล้วก็ควรดำริตรีตองที่เราจะไปอยู่ไปเฉยๆทำไมอ่ะ การดำริอย่างนี้นะ่ะเรียกว่าเราดำริหาทางออกจากทุกข์ให้เข้าใจการพิดดำริพิจารณาเห็นโทษของกิเลสอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ต่างๆ น, น, นานาหมูนี้นะนี่เรากําลังดำริที่จะถอนตนออกจากเหตแห่งทุกข์เหล่านี้ถ้าใครยังไม่ดำริเห็นโทษของกิเลสดังกล่าวมานี้ สแสดงว่าผู้นั้นยังไม่เบื่อทุกในสงสารยังไม่คิดอยากจะหนีจากทุกนี้เลยเงี้นเนี่ยเอาเดิมเล่าเมาเข้าไปติดเหล่างอมแงมเข้าไปก็ยังว่าจนเป็นสุขสบายอยู่ยังชอบมันอยู่อย่างนี้นะไม่คิดว่าจะถอนตนออกจากสุรายาเมาเหล่านั้นเลยอขอใจกับมันอยู่นะมันจะ ทุกยังไงมันจะยากลําบากยังไงมันจะยากจนเพราะหาเงินได้มาแล้วอเอาไปซื้อของมื่นม้อมาซ่องเสีเสียมากโสมากก็ช่างมันอ่เพราะว่าขอใจกับมันแล้วนี่นี่แหละคนเราไม่รู้จักไม่เห็นโทษของตัณหาเหล่านี้มันก็ทุกข์หนักเข้าไปเรื่อยๆเป็นอย่างนั้น การละตัณหามันก็ละเป็นขั้นๆอย่างที่เคยแสดงมาแล้วนั่นแหละไม่ใช่ว่าละทีเดียวแล้วมันหมดไปทุกอย่างไปเลยไม่ใช่ผู้มีอินทรียบารมียังอ่อนอยู่นี่แล้วก็เพียรละให้เป็นขั้นๆไปตัณหาอันใดมันจะทําให้ได้ประสบความทุกข์ในปัจจุบันนี้ และจะเป็นทุกไปในอนาคตเบื้องหน้าอย่างนี้นะเราศึกษารู้แล้วเราก็ละตัณหาประเภทนี้ก่อนอื่นเลยมเมื่อละตัณหาประเภทนี้ได้แล้วมันก็ยังเหลือแต่ตัณหาอันมันไม่พาให้ไปทําบาปทํกรรมมันชั่วใส่ตัวมีตัณหาอยากได้เงินได้ทองอยากได้มีได้ผัว ตามธรรมเนียม เ, เมื่ออยากได้ของวันนี้ก็หาเอาโดยทางชอบด้วยศีลด้วยทำด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีไปอย่างนี้มันก็ยังไม่เป็นทุกข์หลายเท่าไรนักอขอให้ชอบศีนชอบรมเถอะก็ยังพอมีความสุขอยู่บ้าง น, นั่นแหละแต่นี่มันไม่เป็นอย่างนั้นที่ มันไม่หวนนึกถึงศีลถึงธรรมถึงระเบียบอะไรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ไม่ได้คำานึงนีส่วนมากคนอ่ะถ้ามันคำานึงถ้ามันค้นคว้าแล้วมันก็มันก็รู้ได้ว่าเอออันนี้มันเป็นเหตุที่จะให้ไปสู่นรกอบายภูมิอย่างนี้นะกรรมเหล่านี้ เอออันตันหาเหล่านี้นะมันจะทําให้เราเป็นทุกข์ให้เราจิตหายในปัจจุบันนี้เมื่อมรู้แล้วอย่างนี้รู้ชัดๆด้วยปัญญาแล้วมันก็ละกันได้แต่คนส่วนมากไม่ได้ยไม่ค่อยได้พิจารณาอย่างนี้เลยถ้าจะฟังพิจารณาอย่างนี้อยู่มันจะไม่ได้ทําชั่วเหล่านั้นเพราะยังยังอะไรในความชั่วเหล่านั้นอยู่นี่นี่ คนเรานะ่สายเหตุที่มันจะละชั่วไม่ได้ทำดีไม่ได้เพราะมันขาดโยนิโสมนสิกานคือขาดความดาริตรีตรองใครควรพิจารณาเหตุผลในเรื่องนั่นนั่นมันขาดการตรีตรองอย่างนี้มันจึงละชั่วทำดีไม่ได้คนเราเนะ่ะดังนั้นให้เพิ่งพากัน ร, รู้จักใช้ความคิด รู้จกักฝึกจิตของตนให้ส ง, งบให้ตั้งมั่นลงไปเมื่อใจตั้งมั่นแล้วหัดคิดหัดวิจารณ์ทิจารณาเหตุแห่งทุกข์ทิจารณาว่าความดับทุกข์มันดับตรงไหนอย่างนี้ก็ว่าเราพิจารณามันก็รู้ได้ชัดๆนี่แหละอืก็ดับตรงความอยากในหัวใจนี่ยอย่างที่ว่าโมเสกี้นี่เอง เมื่อดับความอยากในดวงจิตอันนี้ได้แล้วทุกทางใจมันก็ดับเท่านั้นเองแต่ถ้าละส่วนละเอียดยังไม่ได้ก็ให้ละได้ส่วนหยากก็ยังนับว่าเป็นบุญโขเลยทีเดียวเพราะเมื่อละอย่างหยาบได้แล้วชีวิตนี้ก็จะไม่ไปตกทุกข์ได้ยากลำบากหลังจากละโลกนี้ไปแล้ว คนเราเมื่อละสิ่งที่ชั่วแล้วมันก็ต้องทําดีเรื่อยไปมันจะอยู่เฉยๆไม่ได้หรอกมันอย่างชาวพุททั้งหลายที่ได้หันหน้าเข้ามาปฏิบัติธรรมในพระศาสนานี่ทุกคนแต่ก่อนเนี่มันก็หลงกันอยู่ทั้งนั้นแหละทําดีบ้างทําชั่วบ้างอย่างนี้กันพอได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าเข้าไปแล้วอย่างนี้มันรู้ตัวตื่นตัวได้ ว่าตอนนั้นกําลังสะสมทั้งเหตุแห่งสุขและเหตุแห่งทุกโหยผลไปกันไปอยู่เวลานี้เนะี่ยเมื่อเป็นเช่นนี้ผลมันก็จะต้องต้องได้รับทั้งสองอย่างถึงคราวใดบาปให้ผลก็เป็นทุกข์ทร ม, มานไปถึงคราวใดบาปให้ผลบุญให้ผลก็มีความสุขความสบายไป เมื่อเป็นเช่นนี้เราจะไปสะสมเหตุแห่งทุกข์ไว้ทำไมอ่ะจะไปทำบาปมันทำไมมันก็ต้องหาทางหลีกเลี่ยงที่ผู้มีปัญญาทั้งหลายในโลกนี้จะสอนตนเข้าไปอย่างนี้นะถ้าผูใ้ใดรู้จักสอนตนเข้าไปอย่างนี้แล้วมันสามารถที่จะละบาปได้จริงๆไงเบงั้นถ้าใคร ไม่มีปัญญาที่จะสอนตนได้อย่างว่านี้แล้วมันมันล่กไม่ได้ล่าบาปไม่ได้ดังนั้นในที่นี้จึงขอเตือนเพื่อนพุทธบริษัททั้งหลายชาวพุทธทั้งหลายขอให้พากันรู้จักใช้ความคิดเราเกิดเป็นคนมาแล้วอย่าไปสร้างปัญญาขึ้นไว้ต้มไว้เกงกินเฉยๆมันไม่มีประโยชน์อะไร เราสร้างปัญญาขึ้นในใจก็เพื่ อ, อาหาทางเอาตัวรอดจากทุกข์จากภัยพิบัติต่างๆไปให้ได้นี่จึงสมกับว่าผู้มีปัญญาอันที่ไปโฆษณาตัวเองว่าตนมีปัญญาตนฉลาดหาเงินได้ดีเข้าหาผู้รักผู้ใหญ่ได้ลูกแข่งคำขาได้เลื่อนยศเลื่อนสักได้ดี แต่ว่าปัญญาที่จะละบาปคกอมชัว่วต่างๆนั้นไม่มีปัญญาอย่างนั้นท่านว่ามันก็อำนวยผลให้ได้รับความสุขแต่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นแหละมันไม่สามารถจะขจัดบาปอากุศลออกไปจา ก, กจิตใจนี้ได้ดางนั้นดังนั้นปัญญานี่เราต้องสะสมให้มันเกิดทั้งสองทางปัญญา ความรู้ความฉลาดในการทำมาหาเรื่องขีบนั้นอีกประเภทหนึง่งแล้วก็ปัญญาในการละ ก, กิเลสอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี้ก็อีกประเภทนึงอย่างนี้แหละปัญญาทั้งสองอย่างนี้นะจำเป็นเราจะต้องบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นควบคู่กันไปถ้าใครไป สั่งสมแต่ปัญญาในการทำมาหาเรี่ยงขี่หาเงินหาทองร่ลำรวยอย่างเดียวเท่านั้นไม่สนใจกับปัญญาในทางธรรมปัญญาให้รู้คำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็รู้จักละทั่วทำดีได้ถ้าใครไม่สนใจปัญญาประเภทนี้แล้วชีวิตของพูกนั้นก็เป็นหมันเนี เป็นทำไมยังมาเป็นหมันเป็นหมันเพราะความรู้ในทางโลกนั้นมันไม่ช่วยให้บุคคลพ้นจากนารกอบัยภูมิได้เป็นอย่างนั้นเรียกว่าไม่ปัญญาความรู้อย่างนั้นะ่ะไม่สามารถจะสะสมบุญกุศลให้เจริญ ง, งอกงามขึ้นในตนได้เหตุนั้นจึงกล่าวว่าชีวิตของผู้นั้นเป็นหมัน ไม่สามารถจะทำกุศลความดีให้เจริญขึ้นในตนของตนได้ตนก็หิวความสุขระเบดิดนนะเอความสุขมันเกิดจากบุญกุศลเมื่อบุญกุศลไม่มีจะเอาความสุขมาแต่ไหนนี่หมายเอาความสุขทางใจเมื่อความสุขทางใจไม่มีแล้วใจดำอมหิตเต็มไปด้วยกิเลสบาปรธรรม แล้วอย่างนี้นะมันไม่มีหวังที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี้อีกเนี่ยตายแล้วก็ไปไหม้อยู่ในนรกบ้างไปเป็นเปรตบ้งเป็นอสุรกายบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้าง อ, อย่างนั้นเรื่องมันนะ่ะใครจะเชื่อก็าตามไม่เชื่อก็สั่างแต่พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงแสดงไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นแหละเมื่อได้ทราบอย่างนี้แล้ว เพิ่งพากันสั้งอยู่ในอัปปมาทธรรมคือความไม่ประมาทอบรมปัญญาทั้งสองประเภทให้เกิดมีขึ้นในตนแล้วก็จะนำตนให้พ้นทุกข์ภายในสงสารไปได้จริงๆดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้